จากมาแสนไกลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจะเอาความรู้ไปคนท้งบ้านเราต่อไปไม่อายใครเขาให้บ้านเราพัฒนามาเป็นที่หนึ่งสุขใจได้มี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 สู้ความรุงเรืองทั่วกันดำคูต้นโตสู้แดดผลไม่วันออกดอกช่อนั้นแ่งบ้านงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่น เราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนาสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัน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 ส, สวัสดีครับเพื่นผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกท่านเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟัง เช่นเคยนะครับเรานําเอาเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกันนะครับซึ่งก็มีความรู้ที่หลากหลายแหละครับนะมีหลายๆลายคน อ, อยากจะติดตามเกี่ยวกับ เ, เรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งนะครับของแต่ละส่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ก็มีการาประกาศเกี่ยวกับเรื่องของ ปลดล็อกทางด้านการเมืองนะครับเพให้ในส่วนของอพักการเมืองเนี่ยทำทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับก็มีหลายๆพักแล้วครับก็ร่วมนะเริ่มที่จะมีการทํากิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมนะการะระดมสมองทํานโยบายแถลงนโยบายนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีการให้ ในส่วนของเครือข่ายของพรรคพบประชาชนนะบรรยากาศ ก, ก็เริ่มที่จะมีความคึกคักกันกันขึ้นมาแล้วนะครับในช่วงนี้มีการบดล็อกนะโดยเฉพาะในส่วนของของพรรคการเมืองนะครับต่างๆนะซึ่งเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวแะครับนะก็ก็ดูนะครับนะว่ามีนโยบายอะไรที่ที่จะสอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนหรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะช่วงนี้ในเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะหนักนะครับโดยเฉพาะราคาผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างที่จะตกต่ำก็จะทำอย่างไรแก้ไขนะครับแต่ก็ดูกันในช่วงวันที่13ธันวาคมในนายงบตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยลงไปตรวจพื้นที่ราชการที่จังหวัดบึงกาฬภาคอีสานครับอีสานเหนือนะครับก็เป็นการลงพื้นที่ ต่างจังหวัดครั้งแรกภายหลังจากมีการประกาศปลดล็อกทางการเมืองนะครับซึ่งก็ลงไปพบปะกับประชาชนติดตามโครงการต่างๆของขอ ง, ของรัฐบาลนะครับนะก็อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการดูแลผู้มีไรายได้น้อยอะไรต่างๆนะครับซึ่งโดยเฉพาะาการากที่รัฐบาล ให้เงิน500บาทให้กับประชาชนนะครับนะไปใช้จ่ายนะครับนะไปใช้จ่ายนะในช่วงของปีใหม่นะครับก็นายกก็บอกว่าให้ใช้อย่างประหยัดนะก็เพื่อที่จะให้มีประโยชน์นะครับนะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็ น, นก็ย้ำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ก็จะเห็นว่าประชาชนคนยากคนจ น, น10ล้านคนนี่นะครับก็ไป ใช้บัตรเ t ทีมไปถอนธนาคารถอนเงินจากตู้ ATM ของกรุงไทยดีก็หลายๆจังหวัดนี่ค่อนข้างวิกฤตนะครับเพราะว่ามีประชาชนไปใช้บริการมากอาจจะไม่สะดวกหรือระบบอาจจะล่มบ้างอะไรต่างๆบ้างแต่ว่าก็น่าจะคลี่ขายในในที่สุดนะครับซึ่งก็ชาวบ้านก็จะไปจับใจใช้สอยก็จะเกิดการหมุนเวียนทางด้านทางด้านเศรษฐกิจนะครับนะพอชาวบ้านนี่ก็ ในงบมาก็จะใช้จับจ่ายใช้สอยต่างๆและนอกจากนั้นนี่ก็ยังมีโครงการที่ลงไปอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสำหรับคนพิการคนแก่นะเพิ่มเงินเดือนให้กับอสอมอมบ้างนะครับนะหรือว่ามีหลายการสวัสดิการต่างๆรวมทั้งในกทมนี่มีการให้เปิดให้นั่งรถไฟฟ้าฟรีฟในบางสายนะครับนะก็ มีมาตรการต่างๆที่ออกมารวมทั้งชอบช่วยชาติอะไรต่างๆนี่ก็มีมาตรการออกมาของรัฐบาลนะครับในช่วงของของปีใหม่ซึ่งชาวบ้านก็พอใจแล้วครับนะถ้ามีโครงการอะไรต่างๆที่ออกมาตอนนี้ก็ตรวจงานกันอยู่แถวบึงการซึ่งที่ลงไปในพื้นที่ของบึงการอุดรนะแถววิสาหเหนือนี่ก็มีรัฐมนตรีไปติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกันหลายคนอย่างเช่น คุณสนทิรัตน์นะสนจจิจิรวงศ์รตตีพานิษ์เนี่ยก็บอกว่าลงไปเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐที่อุดร น, นะครับซึ่งก็ติดตามความคืบหน้านะครับนะว่าทำงานร้านธงฟ้าประชารัฐเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็เป็นร้านค้าชุมชนนะที่รัฐบาลสนับสนุนนะครับอยู่ในหมู่บ้านในชุมชน จะจำหน่ายสินคา้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์เอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยมาจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็ถึงก็มีหลายหลายแห่งละเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินไปด้วยดีนะครับแล้วก็ชาว บ, บ้านก็ได้ประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้กระทรวงพาณิชย์บอกมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนร้านค้าแบบใช้แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐอีกประมาณ1 0 0 0 0แสนลายบอกงั้นเนะี่ยก็จะคงจะใช้แอปพลิเคชันนะครับจาก ในส่วนของมือถือเนี่ยมาใช้นะครับนะเนี่ยเป็นถุงเงินประชารัฐบอกกันภายในสิ้นเดือนธันวานะซึ่งตรงนี้เนี่ยคงจะต้องติดตามดูว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่นะครับมีการใช้แอปพลิเคชันส่วนนายพิเชษดูลงครับวิโรธเนี่ยำตีดิจิตอนนะครับก็เข้าไปตรวจการติดตั้งการดำเนินงานโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐนะครั บ, นะรบนะก็คือการ ติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เนต็ตลงไปตามหมู่บ้านให้ครอบคุมทั่วประเทศนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ดูว่าจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นความร่วมมือกันนะครับของกอสทหนะรือว่าบริษัท TOT อทก็ดีแล้วหลายๆส่วนนะครับเพื่อให้คนไทยเราเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เนต็ตเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้ครอบคลุมนะถ้าทำได้นี่ก็ดีแหลครับนะถ้าสั ญ, ญญาณอินเทอร์เนต็ตเนี่ย แรงคมชัดทั่วถึงทุกชุมชนหมู่บ้านเนี่ยนะชาวบ้านสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตไวไฟเหล่านั้นนะครับในการเสนอสินค้าชุมชนบ้างติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีมือถือแล้วนะครับนะตอนนี้นี่ก็ทันสมัยการใช้แอปพลิเคชัน Line พูดคุยกันนี่เป็นเรื่องเรื่องธรรมดานะครับในหมู่ของ ผู้นำชาวบ้านนี่ก็ส่งข้อมูลแลกเปลี่ย น, นข้อมูลข่าวสารเนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e เนี่ยเห็นทำกันตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นี้ตรงนี้นี่ก็ก็เริ่มที่จะพัฒนากันไปนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีโครงข่าย 5G เข้ามาก็จะทำให้การส่งผ่านข้อมูลในรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้ า, ถามีการดีเริ่มในการทำ 5G ขึ้นมาซึ่ง ในประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีหลายๆประเทศก็ขยับที่จะมีการพัฒนาเป็น5 g จีแล้วตอนนี้เรายัง4 g จีอยู่นะครับนะก็คงจะดูนะครับนะเพราะว่าทั้งกัมพูชาทั้งสปป ล, ลาวนะสิงคโปร์หรือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเรต่างนี้ก็เริ่มที่มีการเตรียมแล้วนะเตรียมการนะเพราะฉะนั้นก็คงจะดูถ้ามีสัญญาณครอบคลุมถึงรวมทั้งทางคมนาคมในี่นายไพรินชูชทถาวรรัฐมนตรีช่วยก็ไปติดตาม มาตรการความปลอดภัยการคัมนาคมนะฮะทั้งทางบกทางน้ำนะครับว่าจะบริการชาวบ้านอย่างไรโดยเฉพาะช่วงช่วงปีใหม่นี่คงจะต้องมีการเข้มงวด น, นะครับเพราะว่าเมืองไทยแล้วนี่สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี่ของเราสูงในระดับนำนำของโลกทำยังไงที่จ ะ, ะมีการลดลงมานะครับจะปรับปรุงใ ห, ให้ให้ปลอดภัยนะครั บ, นะรบนะก็คงจะต้อง จะต้องดูครับนะว่าจะจ ะ, จ ะ, จะปรับปรุงกันกันอย่างไรอาจจะมีการจำกัดความเร็วนะตรวจจับความเร็วกันหรือว่าดูรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องเมาไม่ขับนะครับนะการเข้มงวดในหลายๆด้านเนี่ยก็จะช่วยได้โดยเฉพาะการขับรถที่ถูกกฎจราจรนะครับนะเพราะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมักจ ะ, ะเป็นเรื่องของ อาการไม่เคารพกฎจราจรบ้างนะครับนะดื่มสุรายาเมาบ้างแล้ก็ขับรถด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะก็การเสียงก็มีนะเพราะฉะนั้นคงจะต้องดูเพราะใกล้เทศกาลปีใหม่กันเข้ามาแล้วนะเขาก็มีมาตรการต่างๆกันขึ้นมาก็คิดว่าการลงพื้นที่นี่ก็จะเกิดประโยชน์นะ ก, กับชาวบ้านกับชุมชนส่วนพักการเมืองต่างๆนี่เตรียมตัว เกี่ยวกับเรื่องนโยบายของพรรคและผู้สมัครกันอ ย, อย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับอย่างในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับในพิสิทธิ์เวชชิวประชุมพรรคกันนะครับที่โรงแรมสุโขศนก็บอกว่าจะมีการเตรียมผู้สมัครวางตัวผู้สมัครให้เสร็จภายในเดือนธันวานะครับแล้วก็มีนโยบายหาเสียงนะครับก็จะมีการปรับปรุงนะเพื่อ ให้มีคุณภาพนะมากยิ่งขึ้นนะเพื่อที่จะได้ไปรณรงค์กับประชาชนนะก็เตรียมกันอยู่ประชาธิปัตย์นะครับส่วนเพื่อไทยนี่นะครับในส่วนของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่มนลุงประธานรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก็บอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมพิจารณาผู้สมัครแล้วก็เตรียมเรื่องนโยบายอยู่นะครับนะว่าจะทำอย่างไรเพราะนั้นนี่ตรงนี้ก็กลังเตรียมนะตัวเกี่ยวกับเรื่องของผู้สมัครนะครับว่า จะจัดสรรจะลดแล้วก็จะนโยบายของพรรคด้วยนะครับนะจะเอาขึ้นมาพูดหรือไม่นะครับเพราะว่านโยบายเด่นๆหลายๆอันเนี่ยก็ ก, ก็จะยังอยู่ในใจของประชาชนนะครับนะเพราะนตรงนี้นี่คงจะต้องตามดูนะครับว่าว่าจะจะทำอย่างไรนะครับในส่วนของอนาคตใหม่นี่ก็กำลังมีขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของอาการทำ p r i m า r y โ a r ตนะครับนะเพื่อที่จะคัดเลือก นะสอสอในแต่ละเขตให้สมาชิกพักเนี่ยคัดเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็ถึงจะได้ตัวผู้สมัครนะเป็นไ ป, นปนตามขั้นตอนนะ ก, ก, ก็ดีนะครับนะก็ให้ในส่วนของสมาชิกเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับก็จะทำให้เกิดการเป็ น, เ ป, นเป็นพักที่ถาวรได้ในอนาคตนะครับนะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในหลายๆส่วนมามารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อไปครับ หลงลืมตาเกิดมาทามกลางดอกไม้ร่างกายพร้อมบางดมกลิ่นหอมเยาวยวนหลากสีชีชวนให้หลงรักไม่ล่ารังหลงรักจดช่อดอกไม้ทั้งใจต่อให้หิวก็ฝืนก็ทนจะยอม ไม่กินดอกใบให้เจ้าดอกไม้ราาักษาเข็ดใช้น้ำค้างเพื่อพอประทังตายยังมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตเจ้านอนก็ตายลงไป ไม่ใครจะมองเห็นหล่นร่วงลงไปทอดกายเป็นปุ๋ยดินโ อ, โอโ้จมนองพี่เสื้อไม่เหลือเวลาตามฝันไม่ทันเด้เติม สันไม่ทำร้ายใครต่อให้หิวก็ฝืนก็ทนจะยอมไม่กลืนไม่กินดอกไม้ให้เจ้าดอกไม้ราคาแค่ใช้น้นค้างเพื่อพอประทังตายยังมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ ่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตจะน้อยก็ตายลงไปยอมทำไปแม้ไม่มีใครจะมองเห็นหล่นร่วงลงไปทอดกายเป็นปุย แค่เพียนดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตเจ้าน้องก็ตายลงไปลอมทำไปแม้ไม่มีใครจะมองเห็นแต่ดอกไม้ยังคงงดงามพร มาพูดมาคุยกันต่อไปนะครับในช่วงนี้รัฐบาลเนี่ยมีโครงการนะครับที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยกันกันหลากหลายนะก็หวังว่าจะพยุงนะเพื่อที่จะนะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของค่าของชีพอะไรต่างๆนะครับนะในส่วนของกรนะทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับมีการ ผนึกกำลังเอกชนนะจัดมหกรรมรลดราคาสินค้าทั่วประเทศ28วันว่างนนะมีร้านค้าเข้าร่วมประมาณหมื่นแห่งนะครับเพื่อลดราคาสูงสุด 80% อนะครับก็หวังว่าจะมีเงินสมพัดประมาณ 55,000 ล้านนะครับเนะพราะฉะ น, นี้ตรงนี้นี่เป็นล้านธงฟ้านะนำสินค้ามาจำหน่ายจากการเปิดเผยของนายสนีิรัตน สนธิจีรวงทำตีพานิชบอกว่ามีการจัดงานทงฟ้าเนี่ยนะครับนะนะทงฟ้าลดราคาสินค้าทั่วไทยเขาเรียกว่างานลดหนักจะเต็มนะครับนะในช่วงปีใหม่นี่นะครับนะก็บอกว่าพานิชในร่วมมือกับภาคเอกช น, นจัดลดราคาสินค้าครั้งที่5นะซึ่งตรงนี้นี่ก็จะ มีห้างร้านเข้ารวมประมาณ 13,500 สาารขานะลดราคาสูงสุดถึง 80% รนะระยะเวลา28วันตั้งแต่13ทธันวาถึง9ก้ามกรานะกเป็นของขวัญปีใหม่ก็บอกว่างั้นนะครับนะพะนในตรงนี้นี่ก็นะสินค้าที่ลดราคาก็หมวดอาหารเครื่องดื่มนะของใช้ประจำวันบ้างนะครับนะเครื่องครัวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆนะซึ่งนะตลอดงานก็ คิดว่าจะมียอดนะการใช้จ่ายประมาณ 55,000 ล้านว่างัน้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยนะครับนะมีงานทงฟ้านะประชารัฐนี่แหละครับนะก็จัดขายของอะไรต่างๆถ้าให้ในส่วนของชุมชนชาวบ้านได้เอาสินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายบ้างก็จะจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่าชาวบ้านนี่ก็อยากจะเอาสินค้าของของตนเองนี่เข้ามานะเข้ามาขาย นะครับมาม า, มาจำหน่ายนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปิดโอกาสให้ในส่วนของชาวบ้านเนี่ยนะครับในนำสินค้าจากชุมชนนะครับจากชุมชนต่างๆเนี่ยเข้ามาเข้ามาจำหน่ายนะครับในใ น, ในงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตเห็นถ้ามีการจัด ประชุมงานมหกรรมสินค้านะครับการสัมมนาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าให้ในส่วนของกลุ่มชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านได้นําผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์จากชุมชนเข้ามาวางขายเนี่ยก็จ ะ, ะก็จ ะ, ะจําหน่ายได้เป็นค่าครองชีพนะครับเพื่อทให้ขายได้ดีเหมือนกันนะครับนะถ้าเห็นหลายๆแห่งนะถ้ามีการจัดประชุมนะฮะมหกรรมมีการจัดประชุมครูบาอาจารย์หรือการประชุมขนาดใหญ่ นะครับให้สินให้ชาวบ้านเนี่ยเอาสินค้ามาจําหน่ายนะในแต่และจังหวัดเนี่ยก็ดีนะเป็นสิ่งที่ดีตามห้างนะสรรพสินค้าถ้ามีอยู่ในทุกจังหวัดแล้วถ้าให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับเข้าไปวางขายนะไปจําหน่ายสินค้าอาจจะเป็นนะผักปลอดสารพิษบ้างนะครับนะหรือเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ของชาวบ้านเนี่ยถ้าไปขา ย, ขายแถวแถวนะบริเวณห้างนะ ลานจอดรถต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีรวมทั้งตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยถ้าทําโครงการตลาดนัดสีเขียวนะตามตามมหาวิทยาลัยต่างๆนี่ก็จะเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับนะตรงนี้นี่ากระทรวงพาณิชย์นะหรือรัฐบาลกระตุ้นก็จะทําให้เกิดที่จําหน่ายสินค้าชาวบ้านก็จะนําสินค้าจากชุมชนไปรวมทั้งถนนคนเดินนี่ถ้าถ้าทําได้ใน ในทุกอำเภอจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะหลายๆอำเภอเนี่ยทำถนนคนเดินให้ชาวบ้านเอาสินค้าจากชุมชนมาวางจําหน่ายเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จนะครับถ้ า, ามีนยโยบายให้ในส่วนของส่วนราชะการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปกระตุ้นให้มีการทําถนนคนเดินในใ น, ในทุกอำเภอนะก็จะทําทให้ เศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจชาวบ้านเอาสินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายก็จะดีนะครับนโครงการถนนชุมชนนะเพราะในตรงนี้นี่ก็ถ้าทาได้จะดีมากนะครับเนะพราะในช่วงนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะกระทบอ ย, อย่างที่บอกนะครับการทามาหากินค่อนข้างที่จะฝืดเครื่องนะจะทาอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านได้ไดไดมีรายได้เพิ่มขึ้นนี่ก็คงก็คงจะต้องดูนะครับนะก็ต้องช่วยกัน ห ล, หลายทางนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าอย่างเช่นการไปรณรงค์เกี่ยวกับการทําตลาดชุมชนนี่เราจ ะ, จะเห็นว่าถ้าตลาดถ้าเป็นตลาดใหม่นี่ชาวบ้านมักจะไม่ไ ม, ไม่ไปล่ะครับนะเพราะว่ามันไม่ไม่จะเป็นความเคยชินก็จะบางแห่งอาจจะประสบความสาเร็จบางแห่งไม่ประสบความสําเร็จนะครับนะในตลาดแต่ถ้าเป็นพวกตลาดนัดที่เอกชนเขาทํากันอยู่แล้วเรือว่าเป็นตลาดเก่าแกเนี่ยนะเราเราไปเสริมไปจัดกิจกรรม ให้ชุมชนเอาไปวางจำหน่ายสินค้าจากชุมชนเนี่ยก็จะดีกว่าจะเป็นผลผลดีเลยทีเดียวนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะครับว่ า, ว, าว่าจะทำอะไรกันนะครับเพื่อที่จะให้มีการกระตุ้นตรงนี้รวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านประมงนี่ก็คงจะต้องต้อ ง, ต, องต้องมีการแก้ไขนะครับทนะําทำอย่างไรที่จะให้ในส่วนของชาวประมงนะได้ ออกไปจับปลาไปหาอะไรได้นะครับนะเพราะตอนนี้นี่ก็ยังอยู่ในช่วงของการควบคุมนะครับไทยเราเนี่ยถูกติดธงแดงธงเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระมงเนี่ยนะครับนะก็เรายังถูกจํากัดอยู่นะครับนะต้องระมัดระวังบ้างนะครับทําตามกรอบขององค์การค้าระหว่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้การไปจับปลาเนี่ต้องถ้าบางแห่งเนี่ยอาจจะไม่พร้อมก็จับปลาไม่ได้เหมือนกันนะทำอย่างไรล่ะครับที่จะต้องมีการ เจรจากันนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการการประมงนะครับนะก็มีหลายๆด้านรวมทั้งยางพารานี่รัฐบาลบอกว่าจะนะมีการนำเอายางพารามาทํานะเป็นถนนนะครับนะให้มอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะได้ไปนะมีการนํำยางพาราเนี่ยนะครับมารับซื้อยางเนี่ยมามาทำเป็นถนนทุนทาง ถ้ามีการศึกษาวิจัยและมีประสิทธิภาพเนี่ย ก, ก็ส่งเสริมนะครับจะทำให้ราคายางนี่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งเอายางพา ร, รามาผลิตเป็นสินค้าอื่นๆอีกนะครับนะน่าจะเอามาผลิตเป็นสินค้าเป็นอุปกรณ์อื่นๆื่คงจะต้องมาดูด้วยนะครับนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของยางรถยนต์นี่แหละครับนะทาอย่างไรที่จะให้บริษัทยางนรับซื้อจากเรานะครับนะเพราะนั้นตรงนี้คงจะต้อง ต้องต้องดูนะครับสินค้าที่เป็นหลักๆนะทั้งยางพาราทั้งข้าวนี่ก็อาจจะต้องดูหาหาตลาดใหม่นะครับนะตลาดข้าวเนี่ยอาจจะต้องเริ่มไปบุกตลาดข้าวแถวแอฟริกานะซึ่งซึ่งตลาดข้าวไทยนี่ก็ยังไปไม่ถึงนะทำอย่างไรที่จะไปหาตลาดใหม่ๆมาเพื่อที่จะส่งออกได้มากนี่ราคาข้าวก็จะจะสูงขึ้นด้วยนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่ผมจะต้อง ช่วยทางด้านเศรษฐกิจในหลายๆส่วนก็คงจะต้องหวังจากนโยบายของพรรคการเมืองนะครับแต่ละพรรคตอนนี้ก็กําลังมีการประชาสัมพันธ์ดูว่าจะมาช่วยกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรนะครับนะถ้าคิดว่าหลังการเลือกตั้งวันที่24่สิ่กุมภาพันธ์สกด้าเนี่ยนะครับนะก็หลังจากการเลือกตั้งในเศรษฐกิจก็จะจะฟื้นนะครับนักลงทุนต่างๆเงินทุนต่างๆก็จะไหล กลับเข้ามาตอนนี้นี่ก็ไปเงินทุนก็จะไปอยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านหมือนจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาเวียดนามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแถวพม่าเนี่ยไปลงทุนกันเพราะฉะนนั้นถ้าเรามีการเลือกตั้งนะก็จะไหลกลับเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะควนบุหรีเรามาร่วมมือกันลดละเลิก สุโขทัครับสำหรับวันนี้ผมอิรันกุลธานาันต้องขอลาท่านฟังไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ช่องข่าวต้นชั่วโมง